รอบนี้มีคอสจีนนะคนจีนเริ่มมาแล้วถามอาจารย์มีกี่คนคอสเนี่ยเริ่มต้นแล้วประมาณร้อยึลยนะแล้วคอสครั้งก่อนเนี่ยร้อยห้าสิบครั้งนี้สองร้อยอาจารย์แรงเยอะจริง หลวงพ่อได้ยินว่าสองร้ายนะรู้สึกสยดสยอมเลิกตอบสนองเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยพอลาบากกำลังเราน้อยอย่างเปิดให้จองอยู่วัด เปิดวันเดียวก็เต็มแล้วตลอดปีนี่ได้ข่าวว่าคอสกพอพอเปิดวันเดียวกเกือบเต็มแล้วมองแง่ดีมันก็ดีนะคนสนใจการปฏิบัติเยอะในคนจำนวนมากที่สนใจนะ จะมีส่วนหนึ่งที่สามารถทําความเข้าใจวิธีปฏิบัติได้จริงจริงในคนที่เข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่ลงมือปฏิบัติจริงๆในส่วนของพวกที่ลงมือปฏิบัติจริงๆส่วนหนึ่งจะได้มากผล มันก็เหมือนการเรียนทางโลกตอนตอนหนึ่งนึอนุบาลคนเยอะแล้วไปถึงมหาวิทยาลัยคนยอะน้อยลงลเหมือนปีระมิดพวกเราที่ตั้งใจจริงเนีมันก็อยู่ส่วนบนของปีระมิดแล้วคนที่เขาหลงโลก อยู่ใต้พีระมิดไม่ถึงไม่ใช่แค่ข้างล่างน้ําอยู่ข้างใต้เลย <c oughs> <c oughs> แรกแรกมันก็อยู่ระดับล่างทุกคนแหละอาสัยความอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ค่อยๆสังเกตยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลาดับ ก่อนจะเป็นพระอริยะก็ เ, เป็นพุทุชนมาทุกคนแล้วก่อนกิเลสจะเบาบางกิเลสก็หนามาแล้วขนาดพระพุทธเจ้าเรายังเคยตกนรกมาแล้วเลยนรกแปดขุมท่านผ่านมาหมดแล้วภพภูมิต่างๆนะสัตว์เดรัจฉานั่นก็เคยเป็น เปรตอสุรกายเ็เคยเป็นเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ เ, เคยเป็นเมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนที่เราตอนนี้มีกิเลสท่านต่อสู้นะอดทนท่านค้นคว้าหาวิธีพ้นจากกิเลสได้แล้วออามาบอกเราแล้วเราง่ายกว่าท่าน ถ้าท่านเป็นคนคุณกวายากพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าชนิดปัญญาทิกะสร้างบารมีนะโดยเดินปัญญาพระพุทธเจ้าบังงศรัทธาอาศัยศรัทธาลองผิดลองถูกไปผูนะ้บิริยาง พวกนี้ลองผิดลองถูกจริงๆพวกศรัทธายัางไปฟังพระพุทธเจ้าองค์ โ, โ, โ, โน้นองค์นี้ฟังมีมีศรัทธาพวกที่เดินด้วยวิทยะใช้เวลานานที่สุดกว่าจะเข้าใจลองผิดลองถูกด้วยตัวเองไปเรือยพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือพระเมตไตร เป็นพระพุทธเจ้าชนิดที่เรียกว่าวิริยาธีกะเดินมาด้วยความเพลี่ยนด้วยวิริยะพระพุทธเจ้าที่เดินด้วยวิริยะมีจํานวนมากบางองค์เดินด้วยศรัทธาพวกนี้เร็วกว่าพวกวิริยะถ้ามีศรัทธาเนี่ยใจเจอใครเก่งกว่าเลยเข้าไปเรียน พระพุทธเจ้าขอเราเร็วที่สุดเป็นปัญญาทิกาเพราะพระพุทธเจ้าที่เดินด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาทิกาเนี่ยมีน้อยที่สุดเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเร็วที่สุดแล้วมีจํานวนน้อยเป็นบุญของพวกเราอย่างมหาศาลที่เรามาเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะ ถ้าเราไปเจอท่านที่เดินมาด้วยวิธีอื่นเราคงเหนื่อยวันนี้เดินด้วยปัญญาทำยังไงเดินด้วยปัญญานี่ก็คือรู้เป้าหมายปลายทางนะว่าต้องการอะไรต้องการสัมมาสัมโพธิญาณจะได้เอาไปสอนคนอื่นต้องการตัวนี้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างคุณงานความดีทั้งหลายการลดละกิเลสทั้งหลายมีปัญญาคำกับตลอดสร้างความดีทั้งหลายไม่ใช่เพื่อจะได้ดีวิเศษเหนือคนอื่นทำทาน่อเพื่อลดละกิเลสเพื่อถึงความบริสุทธิ์รักษาศีลก็เพื่อลดละกิเลสเพื่อจะถึงความบริสุทธิ์ถึงแล้วได้มาช่วยคนอื่น จเจริญปัญญาไม่ใช่เพื่ออวดเก่งเหนือคนอื่นแต่เพื่อลดลากิเลสแล้วก็จะได้มาช่วยคนอื่นเนี่ยเดินด้วยมีกรอบของการเดินที่ชัดเจนอย่างถ้าเราจะไปเชียงใหม่นะเรารู้ทิศทางที่ชัดเจนแล้วเราเดินไปตรงทางมันก็เร็วใช่ไหมถ้าเราอยากจะไปเชียงใหม่แต่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนนะวนซ้ายบ้างขวาบ้างไปตะวันออกตะวันตก หาไปเรื่อยๆนะพวกนี้มีวิริยะนะอดทนใช้เวลาเยอะพรกเอเจ้าเหล่านี้ทำอะไรเพื่ออะไรทำอย่างไรอนะไรเนี่ยท่านมีปัญญากำกลับตลอดพวกเราเวลาภาวนาก็าเหมือนกันนะต้องรู้เราทำทานเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อชาติน่าจะรวยนั่นโง่นะ่ะคนรวยมีความสุขจริงไหม ไม่แน่ไ ม, ไม่แน่ว่ามีความสุขอย่างคนมีเงินตั้งเป็นหลายหมื่นล้านเนาะไม่ได้เข้าบ้าน <Yeah. S 1> มีความสุขหรอถึงไปอยู่เป็นเศรษฐีอยู่ประเทศอื่นนะมันก็ไม่มีความสุขหรอก <Yeah. S 1> บาอทีก็คงอยากกินน้ําพริกกะปิขึ้นมาหากีกกะปิกินไม่ได้นะ <Yeah. S 1> กินแต่อาหารฝรั่งน่าเบือ่อ <Yeah. S 1> พวกเราลงไปกินอาหารฝรั่งทุกวันเลย สยองทำทานไม่ใช่เพื่อจะรวยทำทานเพื่อจะลดกิเลสลดความเห็นแก่ตัวเพื่อจเจริญกุศลมีความการุณาช่วยเหลือผู้อื่นอะไรนี้นี่เป็นกุศลรักษาศีลไม่ใช่เพื่อภูมิใจมีศีลดีกว่าคนอื่นเอาไ้บลับเขาว่เาเขาไม่มีศีล ถือศีนี้ก็เพื่อไว้สู้กับกิเลสถ้ากิเลสมันแรงเราไม่รู้จะสู้ยังไงเราก็ข่มใจศีนเป็นเครื่องข่มใจไม่ให้ทำความชั่วไม่ให้ทำตามกิเลสสมาธิเนี่ยมันเป็นกำลังที่แรงขึ้นกว่าศีนมันยันระดับปลัดกันลุกปลัดกันรับกับกิเลสช่วงไหนสมาธิดีกิเลสก็อ่อน ช่วงไหนสมาธิอ่อนกิเลสก็แรงขึ้นมา ป, นปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องขุดลากถอนโคนกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องการสู้กับกิเลสเท่านั้นแต่ถ้าทําไปเพื่อสนองกิเลสนะลําบากนานอย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายถ้าเราไปปล่อยวัวปล่อยควายเพราะเราเกิดความการุณาสัตว์มันจะถูกฆ่าเราสงสารมันให้ ชีวิตเป็นถานอย่างเงี้ยอย่างนี้เราได้บุญนะได้บุญหรือถ้าเราไปปล่อยวัวปล่อยควายเพื่อเราจะได้แข็งแรงเหมือนวัวเหมือนควายอะไรเงี้ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่ทำเพราะโลภทำเพราะโลภนงินได้บุญเล็กน้อยเพราะว่าเจือด้วยความโง่บุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญาบุญนั้นเป็นบุญใหญ่ เรามีเงินนิดเดียวเนี่ยเราสามารถทำบุญใหญ่ๆได้มีเงินหลายล้านทำบุญทิีงเป็นล้านๆอาจจะได้บุญนิดเดียวก็ได้ถ้าทำโดยหวังผลตอบแทนตามกิเลสเังนเรารักษาศีลเราทำทานรักษาศีลเราทำสมาธิอะไรเนี่ยเพื่อลดละกิเลสน้นตั้งเป้าให้ถูกอย่างนี้เรียกว่าเราทำด้วยปัญญา ไม่ใช่ทำไปเพื่อจะได้เห่งทำเพื่อจะเห็งคำว่าเห่งคำว่าสวยอะไรไม่มีในสาระบบของศาสนาพุทธเรือกดีเคราะห์ร้ายไม่มีในสาระบบของศาสนาพุทธเรือ ก, กับเคราะห์เป็นชื่อของดาวดาวเริ่ดาวเคราะห์พระพุทธเจ้าบอกว่าดาวไม่จะมาทำอะไรเราได้ ทำได้เหมือนกันอ่ะถ้ามันหลุดมาแล้วมันมาชนกับโลกอะเนะาะดาวหางวิ่งมาชนโลกอะไรเงี้ยแต่ดาววิ่งอยู่ข้างบนนะมันจะมาทําอะไรเราความเชื่อของเราทําให้เราเชื่อไปเองหรือเทวดาเทวดามีไหมมีเทวดามีจริงๆนะทเทวดาจะมาช่วยเราได้ไหม ช่วยได้น้อยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเทวดาช่วยเราไม่ได้ใครเคยอ่านเรื่องพระมหาชนกมั้งชื่อเหมือนมะม่วงเลยชื่อไม่รู้แต่ท่านมหาชนกมีมาก่อนพระมหาชนกมะม่วงมหาชนกมันเกิดทีหลังหรอกพระมหาชนกเรือแตกสิ่งที่ท่านทำคืออะไรท่านต่อสู้ ก็เอาชีวิตรอดรู้สึกว่าท่านจะเอาน้ำมันฉลมตัวเองก่อนก่อนจะลงน้ำนะฉลมตัวเองไว้แล้วก็ฉลาดขึ้นไปอยู่ที่สูงอยู่บนเสากระดงเวลาเรือจมเนี่ยกระโดดไปไกลๆถ้าอยู่อย่าง อยู่ในเรือนะเวลาเรือจมนะมันจะถูกดูดลงไปด้วยเนี่ยท่านโดดไปไกลๆเลยให้พ้นแรงตอนเรือจมมันจะดูดคนลงไปด้วยเนี่ยปัญญาทางนั้นเลยแล้วก็อดทนว่ายน้ําไปอยู่กลางทะเลว่ายน้ําไม่รู้ทิศทางเลยว่าฝั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนแต่ท่านก็ว่าย ถ้าท่านไม่ไว่ายน้ำท่านก็จมน้ำตายไปเลยว่ายน้ำมีโอกาสารอดท่านก็ไปของท่านเรืๆพอเหนื่อยนะก็ลอยตัวใครลอยตัวในน้ำเป็นบ้างนอนเฉยๆเลยก็ลอยแล้วไม่ต้องปฏิหารอะไรเลยเราก็ปฏิหารตลอดนะทุกท่านลอยพวกเราก็ลอยนะแต่ถ้าเราตกน้ำแล้วเราไปยืนตัวตรงๆเนี้ยเราจะจม ท่านขนานอยู่กับ น, น้ำอย่างเงี้ยไม่จมหรอกลอยๆไปตอนเหนื่อยก็ลอยอยู่มีแรงแล้วก็ไหว้ต่อนั่งเมกขลาผ่านมาเห็นก็ามาแสวท่านว่าไม่ฉลาดเลยทาไมามาทนไหว้น้ำทั้งๆที่ไม่เห็นฝังท่านบอกว่าถ้าอยู่ๆท่านก็ยอมแพ้ นักปราดทั้งหลายเขไม่สรรเสริญเละคนเราต้องต่อสู้ถ้าสู้เต็มที่แล้วแพ้ไม่เป็นไรได้สู้แล้วถ้าแพ้ตั้งแต่ยังไม่สู้เนี่ยไม่ใช่วิสัยของนักปราดไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดนางเมฆลาถ้าฟังแล้วถูกใจช่วยทำไมไม่ช่วยซะตั้งแต่แรกอย่างน้อยพระมหาชนกก็ต้องมีกรรมของตัวเอง ที่จะต้องรับกรรมแต่ถ้าขณะรับกรรมแล้วยอมจำนวนต่อกำเก่าที่ส่งผลมาให้ตกน้ำเนี่ยก็จะต้องตายในทะเลกาเก่าให้ผลมาตกน้าทำกรมใหม่ที่ดีคือมีความเพียรมีความอดทนสู้เท่าที่สู้ได้นะสู้เต็มที่จะแพ้หรือชนะไม่สำคัญเนี่ยจิตใจของนักสู้นะ แพ้หรือชนะไม่สำคัญสำคัญที่สู้ถ้าไปดูประวัติศาสตร์เราก็จะเจอมีในประวัติศาสตร์นะคนในประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างหลายคนที่สู้ทั้งที่ททรู้ว่าสู้ไม่ได้นะแต่สู้เต็มที่แล้วสุดฝีมือเลยอย่างสมัยบุเรงนองเนี่ยบุเรงนองมันจะตีเมืองนี้แล้วมันก็เกณฑ์นคนเมืองนี้ไปลบเมืองอื่น ว่ามันก็จะชนะใช่ไหมมันมีคนเยอะกว่าเขาสมัยโบราณรบกันตรงนี้เอาคนเยอะเขาว่าพอชนะเมืองไหนก็ได้คนเมืองนั้นมาอีกรบมาแบบเนี้ยระา า, รานเข้ามาทั่วไปนะตีอายุธยาเนี่ยกำลังมากกว่าอายุธยาหลายเท่าคนอายุธยาสู้ไปสู้สู้เต็มที่นะสู้เต็มที่ ถ้ายอมแพ้ก็ถูกเกณฑ์ไปลบผิบยังไงก็ต้องลบนะสู้อยู่ก็สู้เท่าที่สู้ได้สู้ไม่ได้ก็ไม่น่ารังเกียจเพราะว่าได้พยายามแล้วไม่ใช่ยอมจำนวนพระมหาชนกก็แบบเดียวกันท่านสู้ไม่ยอมจำนวนถ้าจะหมดแรงจมน้ำตายก็ขอให้จมน้ำตายเพราะหมดแรงไม่ใช่เพราะใจฝ่อ พวกเรามีนะมีคงไม่ใช่พวกเราแท้ๆหรอกหมายถึงว่ามนุษย์นะมนุษย์มนุษย์แบบพวกเราเนี่ยแต่ว่าไม่เหมือนกันนะพวกเราภาวนานะไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรอย่างหนึ่งนะไม่โรคไม่ร้ายแรงนะแต่มันหายใจไม่สะดวกอดอัด แล้วไปเจอหมออีกคนหนึ่งหมอบอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะเวลาของคุณเหลือน้อยแล้วคนนี้ก็เถียงบอกหมออีกคนบอกว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งนะเขาปลอบคุณหมอคนนี้ก็เด็ดจริงๆนะเขาปลอบคุณให้คุณมีกำลังใจที่จริงคุณเป็นมะเร็งคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยนะถ้าหลวงพ่อขอต่อยหมอสักทีอรือปะหมออนุญาตแล้วเนี่ย อยากทำอะไรให้ทำเลยเอามือก่อนนะทำลายขวัญกูแล้วคนว่าผู้หญิงคนนี้ช็อกตายแล้วเขาตรวจสบไม่ได้เป็นมะเร็งเป็นโรคที่หมอคนแรกบอกนี่เพราะอะไรทำไมต้องตายเพราะใจใจเป็นฟอกลัวเคสอย่างนี้มีเยอะนะ มีบางคนนะเป็นมะเร็งขั้นที่หนึ่งเมื่อกี่วันอาทิตย์เดียวตายแล้วตกใจตายเฉาตายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะถ้าใจสู้นะสู้ให้เต็มที่สู้ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าจะต้องตายก็าตายอย่างนักสู้เนะี่ยนักปฏิบัติต้องใจถึงอย่างนี้นะไม่ใช่ยอมแพ้แต่เราสู้ด้วยปัญญาเรารู้ว่าเราทำอะไรเพื่ออะไร เราทำทานถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อลดละ ก, กิเลสเพื่อถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยเรามีความชัดเจนเราก็สู้เต็มที่ถ้าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรชาตินี้แพ้ชาติหน้ามาสู้อีกมันต้องชนะเข้าจนได้นะใครอยากให้ส่งกันบ้านวันนี้มีไหมอยากให้รู้ว่าอยาก นะดูไปถ้าวันวันหนึ่งคิดแต่จะถามหลวงพ่อเมื่อไรจะเก่งวัดใจตัวเองใจกล้าๆหน่อยดูของเราสงสัยรู้ว่าสงสัยความสงสัยเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งนะมีค่าเท่ากับกุศลหรืออกุศลทั้งหลายเท่าเทียมกันหมดเลยเมราะความสงสัยเกิดรู้ว่าสงสัยจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป งันะ้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะ่ยดูเข้าไปตรงๆอยากถามนี่ยความอยากก็เป็นสภาวะเป็นหลวงะอยากถามรู้ว่าอยากดูมันเข้าไปนะถ้าทําได้อย่างหลวงพ่อบอกนะเข้มแข็งอย่างนี้นะมรรคผลเนี่ยไม่ไกลเราหรอกแต่ถ้าอ่อนแอคิดแต่จะเกาะครูบาอาจารย์ไม่มีทางไม่มีทางนะ คล้ๆตกทะเลก็อ่อนแอจะพระคุณขอให้เทวดารักมาช่วยดีฉันด้วยเถดิดถ้ารอดไปแล้วจะขออะไรทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จะถวายหัวหมูใบาีอะไรอย่างเงี้ยนะนะติดศีลบนใหญ่เอานี้ใส่ติดศีลบนไาใชนะ้ติดศีลบนไม่ได้ผลหรอกการปฏิบัติเหมือนกันอย่าพึ่งครูบาอาจารย์มากนะัก เพื่อครูบาอาจาในแง่เรียนรู้หลักวิชาที่จะปฏิบัติรู้แล้วหลวงพ่อสอนหมดแล้วให้มีสติใช่ไหมฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวสอนให้หมดแล้วถือศีลไว้มีศีลแล้วก็คอยระวังความคิดโองตัวเองอย่าคิดตามอำนาจกิเลสคอยดูความคิดความเห็นของตัวเอง คอยรักษาศีลไปคอยฝึกจิตของตัวเองมีสติคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปด้วยกุศลมันจะเกิดขึ้นเองอกุศลมันก็จะลดละไปเองฝึกไปมีใจอยู่กันเนื้อกับตัวมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆเนืองๆมากที่สุดมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกไม่ต้องมาถามใครเลย หลวงพ่อเรียนกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อไม่ถามครูบาอาจารย์มากนะเคยถามครูบาอาจารย์จรงิจรงๆห้าหครั้งเท่านะั้นแต่บางครั้งเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เองเคยต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะในชีวิตเนี่ยเจ็ดครั้งเท่านะั้นมีครูบาอาจารย์หองค์ที่ช่วยเรื่องกรรมฐานหลวงพ่อนอกากนั้นหลวงพ่อเดินด้วยตัวเองใช้ความสังเกตเอา สังเกตไปเรื่อยๆอย่างทีหนึ่งเราไปฝึกสมาธิชนิดหนึ่งนะจิตไม่จับอารมณ์จิตไม่จับผู้รู้ไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทั้งผู้รู้ปล่อยหมดเลยจิตอยู่กับความไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเมันก็ทรงพระนิพพานอยู่แล้วต่อมาก็เฉลียวใจเห็นหมมีความเฉลียวใจถึงไปอยู่กับนิพพาน แต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ได้ตลอดหลืมันอยู่ไม่ได้ไม่ใช่หรอกนี่ไม่ใช่นี่เป็นแค่สมาธิที่อย่างหนึ่งเท่านั้นใจรู้ตรงนี้แล้วรู้คำตอบแล้วไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะถามว่าภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังท่านบอกเฮ้ยนิพพานไรมีเข้ามีออกโดนท่านเฮ้ยสองทีนะเฮ้ยนิพพานไรมีเข้ามีออก จิตก็ปล่อยไม่เอาแล้วสมาธิอย่างนี้ไม่เล่นแลเสียเวลาครูบาอาจารย์ตำหนีแล้วก็ปล่อยแต่รู้ว่าเนี่เป็นสมาธิรู้ว่าการเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยไม่จับทั้งอารมณ์ไม่จับทมมั้ทงจิตก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางไม่ใช่วิปัสสนามันเป็นพบพบหนึ่งที่จิตไปสร้างว่างๆอยูย่เรารู้ ตั้งแต่ก่อนจะเจอครูบาอาจารย์แลแต่พอครูบาอาจารย์ย้ำลงมาใจมันก็เลยเลิกไม่เอาเนี่ยหลวงพ่อช่วยตัวเองสารพัดเลยคราวหนึ่งจิตมันไปว่างอยู่ข้างนอกอยู่งั้นเป็นปีมีแต่ความสุขฉเฉลียวใจว่ามันต้องผิดแล้วล่ะทำไมของไม่เที่ยงมันดันเที่ยงของเป็นทุกข์มันดันเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราทาไมบังคับได้ ก็มีอะไรผิดแต่ยังดูไม่ออกว่าผิดตรงไหนไปเจอหลวงตามหาบัวไปถามท่านท่านก็ชี้ให้ดูจิตมันไม่ถึงฐานเราก็เข้าใจอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ช่วยแต่หลวงพ่อสังเกตตัวเองก่อนเลยงั้นไม่มีหลอกนะอยู่ๆไปถามหลวงปู่คาบจิตผมเป็นไงคืนถามอย่างนั้นสิถูกตืบครูบาอาจารย์ูกนะถ้าเราช่วยขนาดน หลวงปู่จิตผมเป็นไงหลวงปู่จถามแล้วไม่รู้เหรอไม่รู้ครับก็ไปรู้สิจบแล้วคำสอนนะที่พูดตั้งยาวเนี่ยเพื่อจะบอกว่าอย่าไปส่งอันบ้านเลยไปหัดช่วยตัวเองซะบ้างแล้วมันถึงจะเก่งที่เราส่งกันบ้านนะคล้ายๆเรียนหนังสือระบบดิวเตอร์ พวกติวมาวิชาไม่แม่นหรอกไม่แม่นสู้พวกลองผิดลองถูกคนก้๊ศึกษาเรียนรู้สังเกตพวกนี้เก่งกว่างั้นวันนี้หลวงพ่อจะฝึกพวกเราอันหนึ่งนะวันนี้ไม่ถามสงสัยรู้ว่าสงสัยดูเข้าไปเลยดูซิความสงสัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงฝึกอย่างนี้นะ เวลาสภาวะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นดูเข้าไปตรงๆเลยว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างจิตใจหดหู่หดหูไม่ใช่ดูเพื่อให้มันหายหดหู่นะดูซิมันจะหดหู่ได้ตลอดไปไหมมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้ไม่ใช่โอ้หดหู่ทำไงจะเบิกบานอ๋ออ๋อนะฮึมอยู่ใกล้ๆเรานะ ไอ้พวกสอนไม่รู้จัจํารือเมื่อไหร่ทีเอาดีได้จําไว้นะสภาวะอะไรเกิดขึ้นอ่ะอย่าไปยินดีกับมันอย่าไปเกลียดมันอย่าไปต่อต้านมันอย่าไปหวงแหนมันไม่หวงแหนไม่รักษาไม่ต่อต้านไม่ปฏิเสธสภาวะใดๆเกิดขึ้นรู้อย่างที่มันเป็นงานจิตใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นไม่ใช่ ทำยังไงจะสดชื่นตลอดอย่างนั้นไม่ได้เรื่องทำได้โลภแล้วจิตใจขุนมัวโอ้ไม่ดีเลยไม่ชอบไม่เห็นมาไม่ชอบทำไงมันจะสว่างมันมัวเนี่ยไม่ดีหาทางทำให้สว่างลองหายใจซินะสว่างแวบขึ้นมาหล่นตุกอีกแล้วนะไม่ได้เรื่องสภาวะอะไรเกิดรู้เขาไปตรงตรงเลย น้อยใจสามีไม่คุยด้วยสามีไปคุยกับคนอื่นน้อยใจจะไปฆ่าตัวตายดีไหมฆ่าตัวตายเนี่ยเข้าทางศัตรูเลยนะเสร็จเลยไปฆ่านะอยอู่ลงไปฆ่าตัวเองตายเนี่ยสามีนอกใจสามีไปรักชายหนุ่มคนอื่นอะไรเงี้ยนะสมมตินะนนะออใจเนี่ยป่อเฉาดูหขาไปตรงๆ ดูซิความเฉ่านเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูอย่างนี้นะดูเข้าไปเด้ได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราดูเข้าไปมีนะพวกเราเคยมาร้องเรียนปรับทุกข์นะผู้หญิงอ่ะสามีไปมีสามีทีแรกหลวงพ่อฟังตอนบวชใหม่ๆผ <c oughs> ู้ผิดเปล่าเราใส่เครียดจากพูดผิดอ่จริงจริง สามีไปมีสามีหนูไม่มีทางสู้เขาเลยเพราะหนูไม่มีเหมือนเขาแล้วเออเออจริงไม่เหมือนหรอกแล้วหนูจะทำไงอ่ะก็เขาไปชอบทางอย่างโน้นอ่ะเขาไม่ได้ชอบแบบหนูนี่หนูก็ดูใจของตัวเองอยากให้เขากลับมาชอบเรารู้ว่าอยากดูเขาไปตรงตรงอย่างเงี้ยรับรองเลยว่าความทุกข์มันอยู่กับเราไม่ได้จริง เว้นเข้มแข็งเข้านะดูของเราเข้าไปรู้เข้าไปมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจเรียนไปรู้ไปดูซีเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นตัวสุขหรือมันเป็นตัวทุกข์มันบังคับได้หรือมันบังคับไม่ได้เนี่ยดูแบบเนี้ยมุมใดมุมหนึ่งในไตรลักษณ์ดูเป็นอนิจจังก็ได้ของนี้เคยมีแล้วไม่มีในเรื่องอนิจจัง ดูในมุมของทุกขังก็ได้ของที่กําลังมีเนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีเรียกว่าทุกขังดูในมุมของอนัตตาก็ได้สิ่งทั้งหลายจะมีจะตั้งอยู่หรือจะดับไปไม่ใช่เพราะเราสั่งแต่เพราะเหตุเพรามีเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่ ง, งอันนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ดูกายเป็นอนิจน จ, นนจังทุกขังอนัตตาดูจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูบ่อยๆ ถึงวันเดิมักผลไม่หนีไปไหนหรอกนะสู้เอาวันนี้จริงๆหลวงพ่อตรวจการบ้านไหวนะแต่หลวงพ่อกำลังให้การบ้านกับพวกเราเพรวันนี้ไม่ตรวจใหนะ้นี่การบ้านนะหมายถึงอะไรต้องสู้พยายามสู้โดยตัวเองไม่ใช่อ่อนแอคนอ่อนแอข้ามวัฏฏะไม่ได้ต้องเข้มแข็ง แล้ววันนี้พระจะมีกันบ้านไหมโยมไม่มีแลนะพระก็ไม่มีโยมก็ไม่มีน่าชื่นใจนะถ้าหวังแต่จะพึ่งครูบาจารย์เนะี้ยโอกาสได้มากผลในชีวิตนี้น้อยเต็มทีนะมีอะไรสู้วอาโอกาสที่จะชนะมันมีไม่สู้ไม่มีทางชนะนะต้องสู้ยากไปไหม ถ้ารู้สึกท้อแทะยากจังเลยหลวงพ่อไม่ยอมตรวจกันบ้างเราจะทำยังไงเนี่ยบอกอีโง่ก็รู้สิว่ากำลังฝ่อกำลังท้อแท้เห็นไหมไมนจะยากอะไรเราสู้เข้าไปสิสู้ไหวไหมจะสู้ไหมสู้ไม่สู้มันต้องอย่างนี้สิถึงจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้นะ ถ, ถ้าฉันไม่มีกำลังใจเวน <c oughs> เวนกรรมของเธอไม่มีกำลังใจมันเหมือนไฟไหม้บ้านนะหนูไม่มีกำลังใจที่จะวิ่งออกจากบ้านเออไฟครอกไปฉันก็ไม่มีกำลังที่จะไปอุ้มแกออกมาหรอกหลวงพ่ออุ้มพวกเราไม่ได้นะพระพุทธเจ้ายางอุ้มพวกเราไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางให้เท่านนะั้น หลวงพ่อเป็นผู้จำทางที่ท่านบอกเอามาบอกต่อเนะจนได้แค่นั้นเท่านั้นนะพวกเราเมื่อรู้ทางแล้วต้องเดินด้วยตัวเองนะวันนี้ดูรู้สึกไหมจิตใจพวกเรามีกำลังจิตใจพวกเรารึกเขิมรักษาจิตอย่างนี้ไว้นะไม่ใช่เดี๋ยวพ่อหลวงพ่อเอากลับบ้านจอกแจ๊กจกแจ๊ ก, จกนะใจก็ฟุ้งซ่านต่อไปอย่างนั้นไม่ดีนะ ต้องสู้ออกจากหลงพ่อไปก็ภาวนาดูของเราไปเรื่อยๆหลวงพ่อทํามาแบบนั้นไปหาครูบาอาจารย์นะตั้งแต่หลวงปู่ดูลนะุลงปู่ดูลันบอกให้ดูจิตดูทุกวันไม่เคยเลิกเลยไม่เคยท้อแท้บางทีท้อนะท้อรู้ว่าท้อบางทีเบื่อเบื่อรู้ว่าเบื่อบางทีงงงงรั่ว่างงนะไม่ใช่เจะต้องอย่างนน้นจะต้องอย่างนี้คลั่มครวน นิสัยคล่ำครวนอย่าเอามาใช้นักปฏิบัติอย่าคล่ำครวนสู่ยิ่งคล่ำครวนจะยิ่งอ่อนแอพอไม่คล่ำครวนมันก็เข้มแข็งขึ้นมาสู้เต็มที่ได้แค่ไหนแค่นั้นนะเต็มที่เลยสมมติว่าเราภาวนาชาตินี้เราไม่บัรูุมักผลไม่ต้องกลัวชาติหน้าจะง่ายกว่าชาตินี้ที่ชาตินี้บางคนทำยากนะเพราะว่าไม่เคยทามาแต่ชาติก่อน ถ้ามันเคยทำมานะมันไม่ยากหรอกหลวงพ่อนะตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนั่งเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้า น, นบ้านเป็นตึกแถวอะอยู่ริมถนนนะเล่นลูกหินอยู่กับเพื่อนหลายคนเป็นไฟไหม้ตกใจนะตกใจก็คว้าลูกหินเลยเห็นไหมสติยังดีนะของโกูคว้าได้วิ่งห้าวเลย วิ่งไปบอกพ่อว่าไฟไหม้เก้าที่หนึ่งไม่รู้สึกตัวเก้าที่สองไม่รู้สึกตัวเก้าที่สามทน <ะ S 1> จิตเหมือนเปิดสวิตต์ขึ้นมาจากในสว่างพรึบขึ้นมาเลยนะรู้ตัวขึ้นมาเลยไปเห็นในความตกใจเข้าความตกใจขาดสบัตเลยแค่วิ่งไปสามเก้าท่านเองใช้เวลานิดเดียวท่านเองเนี่ยทำไมตอนสิบขวบก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาไม่เคยภาวนา ครูบาอาจารย์ท่านบอมัอนเคยทํำมาแต่ชาติก่อนๆมันง่ายนี่พวกเราบางคนมันก็เป็นตั้งแต่เด็กๆบางคนก็ขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาได้ใครรู้สึกบ้างว่าตอนที่เราแยกขันได้เนี่ยสภาวะอันนี้เราเคยรู้จักมาแล้วใครเคยใครรู้สึกยก ม, มือสิใครตอนที่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันตื่นขึ้ น, นมาเนี่ยรู้สึกว่าอันเนี้คือของเก่าซึ่งเคยเป็นมาแล้ว ยกมือสินะ่าคนชิดมากรู้ไม่รู้รู้ไม่รู้นะก็เลยงงอย่างภาพเคยภาวนามานะพอจิตมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยอันนี้รู้จักอยู่แล้วนะพอขันมันแยกเฮ้ยอันนี้ก็เคยรู้จักอยู่แล้วนะ่ภาวนามันสะสมมานะแต่อดีตสะสมของเราไป ถึงวันหนึ่งมันเต็มเหมือนมีแก้วน้ำเียเติมน้ำไปเรื่อยถึงเวลามันเต็มนะมก็จิตเราก็จะเปลี่ยนบรรูม้มรรคผลขึ้นมาแต่ถ้าเราท้อใจน้ำแก้วว่างๆตั้งอยู่ตัวนี้กระป๋องน้ำอยู่ตั้งนู่นเนี่ยห่างกันหนึ่งคืบชี้เกียรติอ้อนวอนขอเทวดาช่วยยกกติกมะเทให้ที หมัดบอกกระหลพ่ออย่างนี้ตื๊บแน่เลยฟังแล้วแค้นเลยสอนไม่รู้จักจำอยากให้น้ำเต็มแก้วทำยังไงก็เอาแก้วตั้งไว้ให้รับน้ำได้ปรตั้งอย่างนี้มันก็รับไม่ได้แล้วก็เอาหาน้ำมาเทใส่เดี๋ยวมันก็เต็มถ้าเทไปแล้วเต็มยังนะนั่งดูอีกสามวันสามคืนที่เทไว้เะาหอยหมดแล้ว อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะจะสู้สู้ด้วยตัวเราเองวันหนึ่งเราจะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีความสุขอะไรเสมอด้วยพระนิพพานพระนิพพานเป็นสภาวะที่จิตเนี่ยมันสิ้นตัณหาสิ้นความอยากแล้วเพราะฉะนั้นจิตจะสิ้นความดินน้นรนสิ้นความปรุงแตง่งเป็นอิสระหมดภาระ มีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงพวกเราไปถึงสิ่งเหล่านี้ได้จริงถ้าเรารู้วิธีไปหลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยมีสตินะมีสมาธินะรักษาศีลไว้อะไรเงี้ยเราก็จะไปได้ก็ขยันทาบ่อยๆถึงวันหนึ่งเราก็จะได้ผลตอบแทนที่อิ่มใจที่สุด ได้โสดาก็ยิ่มใจมากแล้วนะมันจะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเข้าถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วได้พระโสดาบันต่อไปนี้ถึงตายไปก็ไม่ไปอับายแล้วอย่างต่ำก็เป็นมนุษย์อย่างสูงก็เป็นเทวดาได้พระสกทาคาใจก็ยิ่งห้าวหาญเข้มแข็งขึ้นไปอีกถ้าต้องเกิดก็เกิดอีกครั้งเดียวแหละ ใจมันจะรู้สึกอย่างนั้นใจมันห้าวหาญถ้าเป็นพระอนาคานะจะรู้ว่าโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้ไร้สาระใจไม่เกาะเกี่ยวกับโลกนี้อีกละใจจะไปสู่พรหมโลกเท่านั้นไม่ไปที่อื่นแล้วจะอยู่กับความสุขอยู่กับความสงบของจิตจิตของพระอนาคาเนี่ยมีความสุขมากสมาธิบริบูรณ์เงี้ยพระอนาคาเนี่ตายปุ๊บเนี่ย ไปสู่พรมมโลกทันทีตั้งแต่พรหมโลกชั้นที่หนึ่งนะไม่จาเป็นว่าต้องไปสุทธาวาสนะคนที่ไปสุทธาวาสได้ต้องได้ชั้นสี่แล้วก็มีอินทรีย์แก่กล้าถ้าชาั้นสี่แล้วอินทรีย์ห้าตัวนะตัวใดตัวหนึ่งไม่โดดเด่นก็จะไปเ ป, เป็นพรหมเวหาภราชื่อเวหาภราเป็นพรหมอยู่ในชั้นที่สี่ ชันฉันของผู้ได้ฌานสี่ไม่ใช่ชันที่สี่ฉันของผู้ที่ได้ฌานสี่สมควรแก่เวลาอย่าขาดสตินะสมควรแก่เวลาไม่ได้แปลว่าเลิกปฏิบัตินะไปกับบ้านไปภาวนานิมนต์นะครับท่านอาจารย์สู้เอา